อินโดภาละทวาชะเข้ามาถามว่าเน้นเมื่อก่อนเธอเป็นลูกศิษย์ของพรามเดี๋ยวนี้เธอมาบวชกับเราต่าคตเนี่ยเธอไม่กลัวเขาด่าเขาว่าเอาเหรือถ้าเธอกลับไปหาเขาอ่ะไม่กลัวเขาว่าเป็นพรามมาก่อนแล้วมาเป็นมาปฏิบัติแบบนี้เนี่ยนะ บินโดวาละทวายชาก็บอกว่าออก็แน่นอนอเขาต้องด่าต้องว่านะต้องด่าต้องว่าอย่างโน้นอย่างนี้ว่าผุทธิจ้าว ส, สมณะโคตมะเป็นคนจันทานอย่างวิธนี้เคยไปนับถือเขาทำไมมาอยู่กับเราเป็นพราหมณ์เนี่ยเป็นพราหมณ์เป็ น, ม, ปนมีพระพรมเป็นผู้สร้างโลกศากยะ สมาสักยะบุตรก็เป็นพรามมาก่อนเหมือนกันไปทําตั้งรัติทีกายขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเขาก็จึงว่าสารพัดทั้งด่าทั้งว่าทั้งอาสารพัดแล้วเขาจะดูถูกอผู้ที่เขาก็ถามว่าดูก่อนพาะธวราชะเธอรู้ไหมว่าพราหมณ์ทั้งหลายนี่เกิดมาจากใครอพรามาทั้งหลายที่ว่าเป็นเจ้าละที่เกิดมาจากก็เกิดมาจากท้องแม่นั่นแหละ อเขาไม่ได้เกิดมาจากปากพ่อพรมหรือเพราะในศาสนาพ ร, พราหมณ์เนี่ยเขาว่าพวกอที่เป็นชั้นคนชั้นพราหมณ์คนชั้นสูงเนี่ยคงชั้นสูงนี่เกิดมาจากปากของพ่อพรมมื่องันแต่ความจริงไม่ใช่หรอกเกิดจากท้องแม่เหมื่อกันหมดแหละแต่พุทธิยถาท่านใช้คําว่าจากหนักนะั้นะใช้คําหนักกว่านั้นดีก็เกิดท้องแม่นั่นแหละไม่ได้เกิดมาจากไหนหรอกอเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่อง เดิมทีเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีใครในเอกวานี้เดิมทีเดียวมันเป็นก้อนน้ําแข็งพอถึงหน้าหนาวมามันก็เป็นก้อนแข็งเหมือนวุ้นเหมือนวุ้นเหมือนไอ้วุ้นมะพร้าวท่านว่ามันขาวๆในขาวๆเหมือนวุ้นมะพร้าวทีนี้ในช่วงที่ก้อนน้ําแข็งเนี่ยควาจริงมันก็มีมีโรคตัวนี้แต่มันห่อหุ้มด้วยน้ําอยู่ห่อหุ้มทั้แข็งมาทั้งก้อนเนี่ยพระโรคอันนี้มันเคยแตก แยกออกมาจากากาแล็กซี่อื่นจากพระอาทิตย์อย่างเงี้ยมันเคยระเบิดแยกออกมาแต่มามันก็โลกใบนี้ก็ถูกหุ้มด้วยเป็นเป็นภูเขาน้ําแข็งก็อนหนึ่งใสเหมือนวุ้นกะทิเหมือนันที่จะมีจะมามีพรหมพวกหนึ่งห ร, รือว่าปภัสสรพรมเนี่ยชอบเหาะเหิ์นไปในท่องเที่ยวไปในกาแล็กซี่และจกักรวาลต่างๆ เมือเอินมาเห็นโลกใบเนี่ยมันห่อหุ้มด้วยอภูเขาน้ําแข็งแล้วมันใสก็เลยลองมาแตะเอามือมาแตะแตะโลกใบเนี่ยเรามาแตะที่ลิ้นปรากฏ ว, ว่ารสของโลกเนี่ยมันเกิดซาบสั้นไปทั่วร่างกายของพรมตัวนั้นอภิระพรหมเนี่ยผมนั้นเลยด้วยยินดีในรสอันนั้นอะ่ะเลยตกลงมาในอในก้อนโลกอันเนี้ย ก็เลยชิมนะินเป็นวุ้นใสๆอ่อนๆแล้วอร่อยมีรสอร่อยมากด้วยความที่พรมที่มายินดีในรสอันเนี้ยเลยตกลงมาในโลกใบนี้พอต่อมาปรากฏว่ายิ่งเสพรสของบุญของโลกใบนี้มากขึ้นผิวกายเมื่อก่อนเนี่ยมันละเอียดของใสก็กลายเป็นผิวหยาบ แต่ก่อนหน้าที่พรมคนนั้นเมื่อได้เกิดความยินดีในรสของจักรวาลเนี่ยมันก็ยังไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันไม่มีแสงพระอาทิตย์ไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันแต่พอพรมคนนี้ได้มาชิมรสของโลกใบนี้แล้วเกิด้ทราบทราบไปทั่วตัวปรากฏอปรากฏเป็นกลางคืนกลางวันปรากฏเป็นเพศขึ้นมาเป็นเพศผู้หญิงอ่า พอผมอีกตัวหนึ่งชิมเกิดเป็นเพศผู้ชายทีนี้ผมสองตนเนี่ยเพ่งกันไปเพ่งกันมาก็เกิดจิตปฏิพัติกันเกิดความชอบอเกิดความชอบเลยอยู่ด้วยกันเลยมีสืบเป็นมนุษย์มาคนแรกว่างั้นก็มีกลางคืนมีกลางวันแล้วตัววุ้นใสๆของโลกเนี่ยก็เริ่มสลายไปทีนิดทีนิด ท, ที่เป็นเ ก, กน้าแข็งนะเป็นวุ้น นะเป็นบุญที่อร่อยมากต่อมาเมื่อพรมสองตนมีการเพ่งพิทิศกันและเกิดการสมสู่กันและเกิดเป็นลูกคนต่อมาเกิดเป็นมีลูกเป็นผู้หญิงผู้ชายสืบมาเรื่อยๆนะพีสืบมาเรื่อยๆเกิดมีกลางวันกลางคืนแล้ววุ้นอันนี้ก็ค่อยสลายไปสลายไปสลายไปนะเพราะต่อมาพวก พรอมที่เกิดมาจากลูกของพรอมเนี่ยตอนแรกก็คือไปกินวุ้นในโลกนี้เหมือนกันต่อมาก็ถ้าหากว่าปอกไปหากินทุกวันเนี่ยมันที่เหียดเพราะฉะนั้นก็อ่าเก็บมาไว้เยอะๆจะได้ไม่ไปหากินอีกไม่ต้องไปหาไกลๆเมื่อก่อ น, นยอยู่ที่ไหนกเก็บแต่วันนี้ก็ต้องไปหาไกลออกไปเพราะนั้น <c oughs> มนุษย์คนแรกที่สุดสิ่งแรกที่สุดคือคิดว่า ความขี้เกียจเนี่ยเป็นสิ่งแรกเป็นอากุศลอันแรกของโลกคือความขี้เกียจคือขี้เกียจที่จะไปเก็บอาวุธของหิมะเอาเป็นอาหาร mm hmm. ก็เลยเก็บสังสมความขี้เกียจเกิดอะไรเกิดโลภะอยากได้เยอะๆไม่แต่ไม่อยากทำก็เก็บเอาแล้วมาสั่งสมไว้ท่านั้นถือว่าความอยากเป็นเกิดเมนอันดับแรกคือตรงที่ พรมคนนั้นอยากจะชิมอยากจะชิมรสของมันเนี่ยเรามาแตะลิ้นเกิดความพอใจเกิดความพอใจขันบอกอันนั้นอกุศลอันแรกที่สุดเกิดขึ้นในโลกคือความอยากคือตัณหาและวต่อมาก็พัฒนามาเป็นความโลภคื อ, อขี้เกียจไปหาตัวขี้เกียจก็เป็นกุศลตัวต่อมาและตัวสั่งสมบุญต่อมาวุ่นตัวนี้หายไปกลายเป็นเมล็ดข้าว เม่ได้เข้าไม่โ ต, โตโตก็มีการสั่งสมในการสั่งสมปรากฏว่าอีกคนหนึ่งเห็นเพื่อนสั่งสมขี้เกล็ดออกไปก็ไปลักเอาของเพื่อนที่เก็บออกมาแล้วไม่ต้องไปเอาไก่เหมนกันเอาก็ฉีดข้อต่อมาก็เกิดการขโมยเกิดขึ้นนะเกิดการขโมยขึ้นพร า, ากุศลอกุศลเติบโตขึ้นนะโลกก็เริ่มหยาบขึ้นดาบขึ้นมีมนุษย์มาเรื่อยๆรื่ตั้งแต่ต้นนั่นแหละความยินดีในรสจึงเป็นอกุศลอันอันแรกที่สุด ข, ของโลก จิตเกิดขึ้นตรงนั้นนะจิตเกิดขึ้นเจากความยินดีพอใจแต่ก่อนหน้าที่เกิดความยินดีอะไรคือความอยากลองเอว่าเออทําไมมันใสดีเหลือเกินนะแล้วเอามือไปไปจิ้มแล้มาแตะลิ้นเ น, ะสส น, นี่ดดยคือความสงสัยอันนั้นถ้าว่าไป็นุโสดานแรกที่สุดก็คือความสงสัยพอได้สิ้นสุดก็คือจะเกิดความพอใจเขาคือความพอใจก็อุปโสจนชั้น เกิดมาเรื่อยๆจนเป็นมากมายนะความสงสัยเกิดจากอะไรทีนี้ใครตอบได้บ้างความสงสัยเกิดจากอะไรฮะเกิดจากการเรียนรู้ใช่ไหมการเห็นนะท่านบอกว่าเกิดจากอวิชชาเ้าะผมไม่รู้จึงสงสัย ไม่รู้จึงสงสัยนะอันนี้คือที่ไปที่มาของกำเนิดของคนจึงเกิดการมีจิตเพราะจิตดวงแรกที่สุดมันเกิดความไม่รู้แล้วก็สงสัยแล้วก็อยากลองอยากลองพอไปเจอความยินดีพอใจเขาก็พัฒนามาเป็นอกุศลธรรมต่างๆดังนั้นเวลาเรามาปฏิบัติก็เช่นเดียว ก, กันเราก็จต้องไปกำหนดที่ความยินดีพอใจก่อนออกมาเป็นความเพลินพอัก ความเพลินไม่เที่ยงก็เปลี่ยนความเพลินก็เปลี่ยนเป็นความเผลอเป็นความไม่พอใจนั้นความไม่พอใจเกิดมาจากความพอใจนั่นเองแต่นี่แก่ความพอใจความดีๆไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันก็จะกลายเป็นจิตที่หยาบขึ้นหยาบขึ้นหยาบขึ้นจิตท่านบอกว่าจิตของคนตอนแรกนั้นผ่องใสเป็นพระสละจิตอันนั้นผมเล่าไว้อย่างนั้นนะแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามาต้นกําเนิดว่าจิตนี้เป็นจิตที่ประพัฒสอนพอไปตั้งที่เป็นรูปธรรมกําเหมือนของโลกท่าใช้ประพัสระบผม แต่พอมาตัดเรื่องของจิตาว่าจิตนี้ประภัสสนพประภัสสรมีทางจิตตังอาคันตุเกเสหิวปกติถังจิตนี้เดิมแท้ผ่องใสประภัสสนไม่มีมุลทินไม่สุกลุกมาก่อน mm hmm. ต่อเมื่อมาอกระทบสัมผัสเกิดอาคันตุกกิเลสคือความพอใจเมื่อพอใจจิตนี้จึงเศร้าหมองไปนันว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตนี้ผ่องใสจิตดั้งเดิมแท้เนี่ย เหมือนกับพ่อพรมเดิมแท้นั้นห่องใสสะอาดแต่พอมาเกิดความพอใจจิตก็เป็นมูนทินเลยนั่นความพอใจจึงเป็นมูนทินอันดับแรกของจิตทีนี้มนุษย์แสวงหาอะไรเสแสรงหาความพอใจนั่นแสดงมนุษย์เสแสรงหาอะไรหามูลทินใช่ไหมอ่าเพราะนั้นแสดงว่ามูนทินเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ความสงกความไม่ตตาของจิตเป็นเหตุของสุขหรือทุกข์เป็นเหตุของทุกข์เพราะนั้นสิ่งที่มนุษย์ทํำตลอดเวลาคือเสแสร้งหาทุกข์ใช่ไมทุกบสุขทุกข์บนสุขหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยพอพระพุทธเจ้ามาเห็หนอย่างนี้ก็มีทางเดียวคือไม่ต้องไปยินดีอะไรพอไม่ยินดีอะไรปั๊บความเหตุของทุกข์ก็ไม่เกิดก็คือมาอยู่กับความรู้สึกตัวเอ๊ะอย่างนั้นจะอยู่ในโลกนี้ไงไม่ เราไม่กินข้าวไม่ยินดีในข้าวไม่ยินดีในอาหารไม่ยินดีในการหลับการนอนไม่ยินดีในการพักผ่อนนั้นจะอยู่ได้ยังไงอันนี้ต้องแยกให้ออกนะเรากินอาหารสัตว์ว่ากินไม่ต้องยินดีก็ได้เรานอนสัตว์ว่านอนไม่จาเป็นต้องยินดีในการนอนก็ได้นอนพอพักผ่อนอ่าเราจะใช้สิ่งใช้ไม่สอยเราสัตว์ว่าใช้ไม่ต้องยินดีไม่ต้องพอใจก็ได้ใช้ไปเฉยๆตามหน้าที่ี่ตัวนี้แยกให้ออก นะไม่ใช่ว่าเ อ, อถ้าไม่ยินดีอะไรก็เลยกลับไปเป็นคนป่าเหมือนเดิมอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะก็ยังเป็นปกติเนี่ยเรามีหน้าที่ใช้สอยตามหน้าที่อ่าแต่เมื่อจาเป็นเนี่ยต้องไปสร้างความยินดีพอใจแต่มีความยินดีพอใจอยู่กับโลกเขาได้แต่ว่าอย่าให้มันมากไปก็แสดงความยินดีบ้างทุกวันนี้เวลาเขามีอะไรขึ้นอ๋อไปแสดงความยินดีเขาหน่อยทั้งทงถ้ายินดีเนี่ยเป็นบนทินนนะ เป็นเหตุของทุกข์แต่เราไปแสดงความยินดีไ ม, ไม่ไม่แสดงความรู้สึกสเฉยเฉยซื่อเนี่ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะไม่ขอแสดงความรู้สึกซื่อหน่อยเราวางเฉจะมีความสุฮะถ้าเราวางเฉยจะมีความสุขนั่นดีไปสู่ไหมลรงวางเฉยดูฟังได้ไหมเราไปพิสูจนนะถามผมไม่ได้นะต้องพิสูจผมบอกว่า <c oughs> เฉยเยนี่มีความสุขแต่ผมผมไม่เห็นไม่เห็นมีความสุขเลย อ่าเพราะว่าความสุขมันไม่มีบอกเมื่อกี้แล้วไงใช่ไหมความสิ่สุขมีเพราะอาศัยทุกที่น้อยลงก็เพียว่ากอเฉยเฉยเฉยเฉยอ่าใช่ให้รู้เฉยเฉยรู้สุขเฉยเฉยรู้ทุกเฉยเฉยไม่ให้เป็นสุขไม่เป็นทุกแต่พอไม่สุขไม่ทุกอยู่เหนือสุขื่อนใช้คำหนึ่งใช้ว่าบรมม่สุขนิพานังประมังสุขขังนิพานเป็นบรมม่สุขว่าเป็นสุขที่เหนือสุข เป็นสุขที่เหนือทุกปรมาจารย์นี่แปลว่าไปเหนือสุขไปเหนือทุกนะเราใช้สุขใช้ทุกแต่ว่าเราไม่ติดสุขติดทุกเออคาว่าไปเหนือไหมายความว่าไม่ได้ลอยอยู่เหนือนะเหมือนกับว่าเราอยู่บนเรือแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในน้ําแต่เร า, ย, า, า ย, ยังไอใส่น้ําอยู่ใช่ไหมถ้าไม่มีน้ําเรือจะแล่นได้ไหม <Lin h. S 2> ถ้าไม่มีสุขไม่มีทุกชีวิตจะดําเนินไปได้ไหมไม่ได้อันเดียวกันเราอยู่ในน้ําแต่เราไม่ติดน้ําถ้าเราติดน้ําเรือเราวิ่งได้ไหม เช่นน้ำทั้งแม่น้ำมันเกิดเป็นน้ำแข็งขึ้นมาติดแงกเท่นั้นใช่ไหมเหลือแล่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอารมณ์อารมณ์เปลือยเส ม, มือนน้ําสติธรรมะนี่เปลือยเส ม, มเือนเรือจิตเปลือยเส ม, มือนคนอาศัยเรืออ่าเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อจีอยู่ในกับอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ดีอารมณ์มชั่วเนี่ยได้โดยที่อยู่เหนือมันแต่ถ้าเราไม่มีเรือเห ม, มือนไม่มีธรรม ไม่มีทำก็เหมือนไม่มีเรือเพราะนั้นพอเราลงไปในน้ำก็ไปไงโดยที่ไม่มีเรือแล้วก็ไม่ใช่เปียกอย่างเดียวจมปิ้นนึงเลยถ้าว่า้เป็นน่สมมติว่าย้เป็นนะน้ำมันกว้างอะ่ะใช่หัหยเรือแตกกลางทะเลอ ง, งเงี้ยว่าเท่าไหร่ก็แต่ไม่ใช่พระมหาชนกนะไว้เรามีคนมาช่วยนะกรณีพิเศษน ะ, นะเพราะฉะนั้นเองเราก็ต้องสร้างเรือสร้างแพ ธรามานี่เปิดเสมือนเรือมันแพเมื่อพายเรือภายแพนะั้ไปสู่ฝั่งแล้วเราจะต้องแบกเรือไปอีกไหมไม่ต้องเพราะนั้นเราปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงที่สุดทุกหนะเราต้องปฏิบัติธรรมอีกไหมไม่ต้องก็ได้อาวางไว้ตัวงนี้นให้คนอื่นเช่าต่อไปเราทุกวันนี้เราให้เขาเช่าเรือแล้วก็ได้ยืมได้กินใช่ไหมว <c oughs> ินทาบาไม่อยากทไม่อยากไม่อยากกับ ไม่อยากมีไม่อยากเป็นยังไงเป็นวิปวัตัญหาใช่ไหเออไม่อยากนี่เป็นดัญหาไหมไปไหมไปปฏิบาททาัติธรรมแล้วไม่อยากไปอ่ะเป็นตัญหาไหมเป็นเนี่ยพอเป็นเขาไม่อยากไปนั่นเลยอ่เพรา ะ, ะ, ะฉะนั้นเอาเน้นปฏิบัติท่านปฏิบัติบอกผมไม่อยากปฏิบัติบอกผมขี้เกียจลักษณะที่ไม่อยากแบบนี้เป็นตัญหา แต่ถ้าบอกว่าเออท่านนี่อาหารเยอะเลยฉันเยอะๆหน่อ ย, อยดิไม่ยอมไม่อยากไม่อยากแบบนี้ไม่เป็นตันหาคือมารู้จักประมาณ อ, อ๋อเนี่จะไปดูหนังด้วยกันไปไปเหอะไม่อยากไปนี่ษณะ น, นี้ไม่เป็นตันหาเพราะว่าอยากก็เป็นตันหาไม่ไม่อยากก็เป็นตันหาใช่ได้เป็นคนละอย่างอยากก็เป็นเอออยากจะไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็เป็นตันหาเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่าศรัทธา อยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานอย่างเงี้เนี่ยเป็นความอยากเหมือนกันแต่มันมีชื่อใหม่ว่ามีศรัทธาแต่ว่าเออฉันอยากจ ะ, ะทำบุญกับวัดนี้อยากจะได้ถูกหวยได้ข่าวว่าวัดนี้ให้หวยแม่อยากไปทำบุญด้วยอยากแบบนี้เป็นตัณหาเพราะมีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นความอยากที่ไม่ต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนไม่ต้องการสิ่งตอบแทนความอยากแบบนั้นเรียกว่าศรัทธา แต่ความศรัทธาไหนก็ตามต้องการเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนตอแทนศรัทธาแบบนั้นเป็นตันหาเข้าใจไหมเอออยู่ที่บริบทของมันอยู่ที่มันมันใช้ความอยากเหมือนกันแต่มั น, อ ย, ย น, อ, น, น, นอยากอย่างหนึ่งต้องการสิ่งตอแทนเป็นตันหาอยากอย่างหนึ่งไม่ต้องการสิ่งต่อแทนก็เป็นศรัทธาอยากไปอยากทำบุญอยากให้ทานอยากรักษาศีลอยากเจริญภาวนาอย่างเนี้ยอันนี้ก็ มีสิ่งต่อแทนที่เป็นนามธรรมก็ไม่ถือว่าเป็นความอยากแต่ความอยากที่ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นเป็นสิ่งต่อแทนเป็นตัญหาความอยากที่ไหนไหนที่สิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นธรรมเนี่ยเขาเลือกเป็นศรัทธาไม่ถือว่าเป็นตัญหานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ถามกันวันนี้นะครับ ทีนี้เรื่องที่จะเป็นการบ้านสำหรับพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้เป็นวันที่สิบใช่ไ้มพรุ่งนี้เราจะพัฒนาเส้นทางขึ้นไปชั้นบนนะหมายถึงว่าเราจะต้องไปช่วยก่อนก่อนที่ะรับอาหารเพนหลังจากอาหารเช้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปกวาดเก็บกวาดจนขึ้นไปถึงบนาธาตุข้างบนนะครับที่วันที่สิบเอ็ด วันที่สิบเอ็ดตื่นมาตีสามเนี่ยไม่ใช่ตีสามคึ่งแล้วนะสิบเอ็ดไป เ, เป็นตีสามแล้วขยับเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงพอตีสามเราก็จะออกมาเดินโยกกลมการตรงนี้จนสมาชิกครบแล้วเราก็จะเดินจกลมขึ้นบนพระธาตุไปนั่งปฏิบัติอยู่บนพระธาตุถึงเก้ามงก็กลับมารับอาหารเพราะวันที่สิบเอ็ดตืนไปเราจะอาหารมื้อเดียวเก้าโมงในทีเดียวนะพอรับอาหารแล้วจะปฏิบัติอยู่ตรงนี้จนถึง อ่าเย็นแล้วประมาณหกโมงจะมานั่งปฏิบัติตรวมกันตรงนี้ถึงสามทุ่มช่วงเช้าตื่นมาตีสามเราก็จะเดินขึ้นไปปฏิบัติ บ, ตบนท่าถึงเก้าโมงเช้าแล้วกลับลงมาชั้นเช้าแล้วก็ปฏิบัติอยู่ข้างล่างมาถึงหกโมงเยนแล้วก็นั่งปฏิบัติกัตรงนี้อันนี้คือในสิบวันต่อไปเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ที่ศักยงงงงอยู่ใช่ไหมฮะทวันแรก ยี่สิบอ่าในช่วงที่สอง <50. S 2> สิบวันแรกผ่านมาก็คือวันพรุนี้เป็นวันรวมทำงานรวมทำงานคือพัฒนาทางขึ้นพระธาตุน้ำไม่มีก็พัฒนาเอาน้ำขึ้นไปแล้วก็ข้างบนมลกนะแลกก็ไปทำความสะอาดอทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูบริเวณพระธาตุให้ตั้งแต่ ตีสี่จะไปถึงเก้าโมงแล้วนั่งปฏิบัติข้างบนโดยตลอดพอแต่ถามใม่ครัวเขาจะมาแปดโมงหรือเก้าโมงดีให้ฉันแปดเก้าโมงแปดโมงหรือเก้าโมงดี8ปดโมงขึ้นหนึ่งเก้าโมงนหน่ามทำไมเขาแปดโมงแล้วก็ลงมาอืมไม่ใช่ช่วงเย็นจะมีน้ำปนน้ำมัจจะเป็นนมเป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเป็นเป็นผง อ่าซิเลียลที่มาชงเนี่ยจะเป็นภาละวิ่งหาน้ําร้อนน้ําเย็นกันไหมเ ป, เ, หเป็นเนาะจะวุ่นวายต้มน้ําันดนะีนะเพราะฉะนั้นก็เอาน้ำปนน้ำที่เป็นกล่องอาจจะเป็นน้ําผลไม้เป็นกล่องก็มีเนาะน้าผลไม้นมมนได้แต่ซ อ, อยแล้วก็แต่ก็นนกอะไรก็ได้ที่เขาค่อยใส่ถุงมาให้เลยนะก็ เ, เก็บไปตอนนั้นเลยนะกไ็ได้ปรับในช่วงที่สอง ก็จะเข้มขึ้นก็คือตื่นเช้าทีสามมารวมกันที่นี่พร้อมแล้วเราก็จะเดินจงกลมขึ้นเขาไปปฏิบัติที่นั่นช่วงเช้าถึงแปดเก้าโมงมันยังไม่ร้อนเนาะเราก็ได้ชุดใหญ่ใหญ่พอแปดโมงครึง่งก็เริ่มลงมาละประหารถึงเก้ามงครึง่งเสร็จแล้วก็ทำพระหนาที่สิบโมงจากสิบมถึง หกโมงเย็นเนี่ยเราก็ปฏิบัติส่วนตัวที่ของเราพอเป็นช่วงบ่ายร้อนเราก็ปฏิบัติอยู่ตามข้างล่างพอช่วงเย็นหลังจากห้าโมงอ่าหกโมงแล้วหกโมงเดียวนะหกโมงหนึ่งทุ่มเนี่ยเราก็มารวมกันก็ปฏิบัติไปถึงสามทุ่มจะเดินข้างนอกตามแถวนี้ก็ได้ทุกคนออกมาถ้าต้องการนั่งกับบรรด์ข้างในนี้บ้างหรือนั่งข้างนอกบริเวณรอบๆนี้ว่างั้นเถอะทั้งนงั่งทั้งเดิน อนไปถึงะระฆังสามทุ่มเราก็กลับไปนอนกันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันไม่บางวันอาจจะมีการสวดมนต์เล็กๆบางวันอาจจะมีการรวมตัวฟังธรรมและสอบอารมณ์อาจจะหลังธรรมนี้สักสามวันแล้วก็อัดกันเข้ามาสอบอารมณ์ในที่นี้ในที่นี้ทีละคนพอคนไหนสอบอารมณ์เสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติต่อถึงสามทุ่มยังไม่ถึงสามทุมก็ปฏิบัติที่นี่ก่อนในช่วงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มก็เข้ามาสอบอารมณ์ทีละคนละคน ไปเรื่อยๆจนจบพอจบสามทุ่มแล้วจ ะ, ะเสร็จไม่เสร็จแล้วก็เลิกกันก็จะมีการสอบประหลุมทุกวันไปเรื่อยๆในช่วงที่สองนับตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดไปถึงวันที่ยี่สิบอ๋อขึ้นตามเดินจนคงกลมขึ้นตามถนนเราไม่ใช่เดินใครเดินมานะจะเดินเป็นแถวขึ้นไปเดินทีละเก้า อยางน้อก็ใช้เวลา1ชั่วโมงก็จะไปถึงนี่นะไม่ใช่เดินเสาหับขาวขึข้นไปไม่ใช่นะเล่งใครเล่งมันไม่ใช่อย่างนั้นเดินไปหายใจเข้ายกก้าวหนึ่งหายใจออกยกก้าวหนึ่งเฮ้ยสิสเตอร์แอนด์วิสเ Are you sleeping now? <laughs> yes, in the next session next session from 11 to 20 we change program. But tomorrow we group together and develop the way to climb up the mountain, on the top of the mountain in the pagoda, at top of the mountain. Uh, from uh, a little bit wake up early, a little bit early every day we wake up. We ring the bell about 3:30. But tomorrow we start at 3 o'clock. not tomorrow after tomorrow tomorrow just a uh, wake up t h t h i r but next day 11 we started l i n g the bell at t w e o'clock and come together here after that we uh, walking my for walking up to the mountain the top of the mountain we p r a c there i c e t until uh, 8 30 and walk back And also take one meal a day after 11 to 20. One meal a day from 8.30 t o 9.30. From 9.30 also after finish from 10 to six o'clock, we practice in personal place, d o u s in the same place, and six. We also come to group together here and practice. Maybe have no chanting, have no thamara talk. Just practice around here. And if you want to sit, practice and sit in the meditation hall. If you want to walk, you want to mindful walking, you walk around here until to nine o'clock at night. And then, why from? Six to nine o'clock, I so we come to interview meditation interview, one by one until nine o'clock at night. That we e change a new program from eleven to twenty, and then a n twenty-one, I so j u t take a break for one day. After that, next session from twenty for for twenty-second to. 30หร so we have the s e s i o n retreat again but how to do how to make h i s s e s i o n we a n we plan to do again in the next understand man yes and my sister okay นั้นก็โปรแกรมของเราเป็นอย่างเี้ว่าพรุนี้หลังจากที่เรารับอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ พัฒนากวาดเส้นทางแล้วขึ้นไปพัฒนาข้างบนอาจจะเป็นเปสองกรุปร๊ปเลยกรุ๊ปหนึ่งก็กวาดเส้นทางขึ้นไปเรื่อยๆอี ก, กรุ่ปหนึ่งก็ขึ้นไปพัฒนาข้างบนเลยไปถากไปทางไปเก็บไปกวาดที่เจดีอาคาราล้างอยู่ด้า น, นหลังใหญ่เราจะใช้ประโยชน์อะไรไ ด, ได้ซึ่งก็จะคุยกับคนงานที่นี่สองสามคนน้องพ่อเนาะพอประชุมมีคนงานอยู่ที่สองสามคนก็อาจจะไปตัดหญ้าตัดอะไรต่าง ยายมก็ใช้จอบใช้เสียมไปถากไปถางอ่ากันกวาดใบไม้เพื่อเป็นที่วางเสือ่อวางศาสตร์ตัดยาให้สั้นลงเนี่ยเรา <ขอ S 1> ในเะดีเป็นที่นั่งปฏิบัตินอกเจดีเป็นที่เดินจงกรมซึ่งมันจะมีป่ายาหรือนั่งข้างนอกก็ได้นั่งข้างในก็ได้อาจจะเดินน้อยๆสิบวันด้านหลังเนี่ยเราจะเน้นการ น, นั่งปฏิบัติเดินให้น้อยลงเพราะนั่งปฏิบัตินั้นจะมีปัญหาให้แก้เยอะ เพราะยิ่งปัญหาเยอะก็ยิ่งเกิดปัญญาเยอะคนที่ไม่มีปัญญาหรือแก้ไม่เป็นก็จะทุกข์เยอะนะวิธีการนั่ง so emphasize from next 11 to 20 we emphasize about sitting meditation more than walking okay because when we s e t we have a lot of condition a lot of problem b o c k a lot of problem to solve it you need to transform the problem to be the wisdom w ิสุทธิ transform the the problem when we saw อิสราเอล when we saw such a problem was transform e d to wisdom by nature okay so in the next session from 11 to 20 we observe the sitting meditation more more sitting than walking okay ตกลงยังเก็บตามนี้เนาะอ่าตามนี้ก็ปัญหาที่ถามมาไม่มีอะไรฉะนั้นหนังสือนี้ผมจะเก็บไว้ มาบันทึกเอามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเอาคืนให้วันพรุ่งนี้เย็นนะครับวันพรุ่งนี้เย็นก็คิดว่าพรุ่งนี้เราก็จะมาสรุปผลของการที่ไปพัฒนาข้างบนกันว่าเราจะาไปนั่งปฏิบัติรมกันอย่างไรแบ่งโซนแบ่งกลุ่มแบ่งก้อนหรือ ว, ว่านั่งใครต้องการที่นั่งตรงไหนประจําอะไรนี้เราก็ไปดูกันอีกทีหนึ่งเพราะที่นุ่นไม่มีล้มไม้เหมือนข้างล่างเลยมีแต่ในเจดี